ทรงปราลบภิกษุณีถุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาทําอันตรายแก่จีวรที่คณะจะพึงได้ในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐานละ